เราเรียกว่ากรรมฐานนั่นเป็นที่ตั้งแห่งการกระทําอะไรตั้งอะไรทําอะไรเอาสติมาตั้งไว้ที่กายดังที่อาจารย์สงสินอาจานยทุ่มฤาษีสาธิตให้เราดูเอามาตั้งไว้ที่กายส่วนไหนเป็นกายหลายอย่างการยกมือสร้างจังหวะก็เป็นกาย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 มือของฉันวางอยู่บนเข่าฉันรู้หรือเปล่าไม่มีคำถามว่ามือของเราอยู่ตรงไหนเราก็รู้เองเราเพิ่มมือขึ้นเราก็รู้ว่ามือเราเลิกหรือยังไม่มีคำถามเรายกมือเรายกหรือยังหนอมือเราไ่ยไม่มีคำถามมันรู้ซึ้อรู้มันก็รู้แล้วมันก็รู้แล้วเพิกมมือขึ้นมันก็รู้แล้วยกมือขึ้นมันก็รู้แล้ว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 คนหลงเทไรรู้สึกตัวไม่เสียหายไม่ได้ไปกับมันเลยพราะมันต่างกันอยู่ ด, ดูไปดูมางงดูไปดู่าพอมันหลงเทไรรู้ความหลงก็หมดไปวุ่ไปหายไปทรรมย่อมชนะนธรรมอยู่เสมอความหลงไม่เป็นธรรมดอกความรู้สึกตัวเป็นธรรมกว่าใช่ได้ความหลงมันใช่ไม่ได้เลยแ้าดูดีด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 กำมัดกัดฝันคิดกันมาปุ้งไปโอ้ยหลวงพ่อมาพบหลวงพ่อเทียนให้ดูคนคิดอย่าเข้าไปในความคิดหลวงพ่อเทียนบอกอย่าเข้าไปในความคิดถ้าเห็นมันคิดพอไม่คิดแล้วกลับมาอพอมาทําริงจริงมันตรงนี้แน่นอนเพอมีสติมกับแสงสว่างความคิดเหมือนกับความมืด ความมืดกับแสงสว่างมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าเมื่อมีแสงสว่างนานนานหนึ่งชั่วโมงความมืดก็ไม่มีหนึ่งชั่วโมงแสงสว่างสองชั่วโมงความมืดก็ไม่มีทั้งสองชั่วโมงแสงสว่างไม่ยี่สิชั่วโมงความมืดก็ไม่มียีสิบชั่วโมงแต่เป็นความมืดในชีวิตหมายถึงความหลงเอาลองดู <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ไป เมื่อไม่มีโอกาสหลงม่แต่ตัวลูกคลองก้หมหลงก็หมดเชื่อได้นะเหมือนข้าปลูกที่เราเอาไว้ทำพันเมื่อมันไม่ได้กินอายของฝนเก็บไว้ในลูกยุ่งในฉานสองปีสามปีไม่เอามาสัมผัสกับดินกับน้ามันก็หมดเชื่อได้นะครับเอาไปหวานไม่งอกเลยใช่ไหมโยม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 เราจะมาสร้างความรู้สึกตัว